ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใจร่มประภูติญาณในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของผู้ที่ถามมาต่อไปท่านถามว่าการถึงนิพพานของผู้ปฏิบัติธรรมในปัจจุบันเป็นไปได้ยากมากอาจจะคิดเป็นสัดส่วนของประชากรอาจจะเท่ากับหนึ่งหรือสองต่อประชากรหกสิบล้านคนและนั้นจึงเท่ากับ การถึงนิพพานจึงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเช่นนี้แล้วเขาในบาตธรรมเพื่อจะถึงนิพพานจะถือว่าเป็นเสมือนการวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยที่อยู่ไกลเกินความเป็นไปจะได้หรือไม่นะครับคือตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าส่งแสดงว่าอปากาเตมนุษเสซุเยจนาปารกามิโนอัธยังอิตราปชาติระเมวานุทาวติคนส่วนมาก คนส่วนน้อยเท่านั้นจะขึ้นฝังคืออนิพานได้แต่คนส่วนใหญ่แล้วก็จะล้อๆอฝังไปแต่การคิดเปอร์เซ็นต์มาขนาดนี้มันก็แรงไปหน่อยนะโหดไปหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพระอริยบุคคลของท่านเนี่ยมันอยู่ที่จิตของท่านแล้วเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ท่านไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีใครรู้สมัยพุทธกาลก็ไม่มีใครรู้หรอกบางทีก็รู้เมื่อท่านอนิพานไปแล้ว บางทีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทรงทราบบางทีพระหานทั้งหลายก็ชี้แนะให้ทราบเพราะว่ามันมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวจะต้องชี้แจงกันมันเป็นยอดแหลมของเจดีคือเรื่องอะไรก็ตามและที่สูงสุดเช่นการเรียนระดับด็อกเตอร์เนี่ยในเมืองไทยถ้าถามาด็อกเตอร์มีถึงห้าพันหรือเปล่าก็ไม่ถึงประมาณตัสองพันั้งสมพันะแต่เนี้ย ปัญญาโทอาจจะมีถึงหลายหมื่นปัญญาเสียอาจจะมีถึงหลายแสนนะแล้วก็จบปฐมบริบูรณ์เนี่ยมีเป็นหลายล้านก็แสดงว่ามันสอบขึ้นไปแบบกลวยแบบเจดีแบบพิรามิดมันเป็นปกติธรรมดามันไม่ใช่ขวัญที่ใครเกินเอื้อมเพราะว่าในหลักการปฏิบัติเนี่ยมันสะสมบารมีคำพบคำชาติ เราไม่ได้บรรลุในชาตินี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติต่อไปชาติต่อไปอยังไม่ได้บรรลุ ก, ก็สร้างใหม่เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับก่อนการสร้างประเจดีนก็สร้างกันไปเรื่อยๆโดย อ, ทอิทีละก้อนตีละก้อนนี่แหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นเจดีขึ้นมาได้เองมันไม่ใช่เรื่องของการเปิดปุ๊บติดปับ๊บแต่เป็นเรื่องของการสะสมความดีไปถึงจุดหนึ่งเมื่อบารมีมากพอแล้วก็จะ บรรลุมรรคผลได้ดังนั้นจึงมองโดยหลักของความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยประศาสต์ใดที่อดีมมัสมีองแปดประกาศยังมีอยู่การศึกษาการปิบัติชอบตามอิีมมัสมีองแปดประกาศยังมีอยู่ศาสตร์นั้นโลกจะไม่ว่างจากพระญาบุคคลทั้งสี่ประเภท เพะะั้นเก็ต้องเชื่อประเด็นนี้ไว้แล้วข่าวคาวในเมืองไทยเนี่ยก็มีปฏิปทาพระครูบาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากที่มีข่าวนหน้าจะเป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นจึงต้องงองไปที่พระบาลีพุทธวจนะอย่าไปคิดตัวเองมันเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆไปไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้จริงอะว่าวัาที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะมีอะไรสักเท่าไหร่ ปัญหาประการต่อไปเป็นปัญหาของจึกจะเป็นอะไรในข้าราชการนะ <_ d ata> ครับผมขอกราบเรียนท่านถามท่านว่าทำไมเวลานั่งผู้ปฏิบัติภาวนาลำตัวจะกระตุกบางครั้งนั่งริมดินที่จะปฏิบัติจะตกลงมาครับดูแล้วเหมือนลักษณะจิตกระตุกกระชอกครับผม ลักษณ ะ, ะเหล่านั้นก็ที่จริงก็เป็นธรรมดานะเป็นการปรับสภาพของกายของจิตที่จะเข้าสู่ความสงบมันกระตุก บ, บ้างมันยึกยิ่งงบ้างมันมันเหมือนกับมดไตยยบ้างอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดาเยเฉยเดี๋ยวไปสนใจมันเราก็บริกรรมอะไรอยู่ละเห็นภาวานาพุทโธพุทโธก็พุทโธกันไปหรือว่าใช้บทใดบทหนึ่งการนับลมก็นับลมกันไป การดูลมก็ดูลมกันไปหรือจเจริญพวกกรรมฐานข้ออื่นเราก็ทำกันไปอย่าไปสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในมากเกินไปข้อต่อไปบางท่านบอกว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้นและอาจารย์บางท่านบอกว่ามีหกชั้นอย่าทราบว่าสวรรค์มีกี่ชั้นและอาจารย์ท่านใดที่จะ ที่จะมีอักษรอ้างอิงได้ว่าสวรรค์มีกี่ชั้นแน่นอนไปนที่สงสัยมาทุกวันนี้คือการพูดเฉพาะสวรรค์นั่นนะเวลาเขาแบ่งกาวมาวาจรภูมิสิบเอ็ดชั้นเนี่ยอาบายสี่มนุษย์หนึ่งแล้วสวรรค์หกทีนี้บางทีเนี่ยเาพูดว่าสุขติภูมิเนี่ยคือนับจากมนุษย์ไปเพื่อมันเทียบกับอาบายแล้วเนี่ยมนุษย์มันก็ดีกว่าอาบายเยอะ ถ้าเรียกว่าสุกติภูมิก็มีเจ็ดถ้าเรียกอย่างนั้นนะมันก็มีเจ็ดได้แต่ถ้านับสวรรค์ร่นร้วนะก็มีแค่หกเท่านั้นเองคือจาตุมาราชดาวบดึงยามุาิตนิมมาราดีปรนิ ม, มิตวัต ส, สวัตตีก็มีหกชั้นแต่ว่าในอภิธรรมมัตสังกหะเวลาพูดถึงสุกติภูมิเนี่ยถ้านับมนุษย์เข้าไปด้วยก็กลายเป็นเจ็ด ก็ลกลายเป็นอบายสี่นิรยานารกเดริชานโยนี้กำเนิดเดรชานปิติวิสยาภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายรุมนัะ ก, ก็4 4สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนี่เป็นปัญหาทหารนะนายทหารชั้นประทวนอาจารย์ผู้อบรมบอกว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาได้รับรองว่ารู้จริงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ทำไมไม่นำทำไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองบ้างเพราะมีปัญหามาตลอดประเทศชาติล่มจมแล้วก็ล่มจมอีกบอบช้าแสนสาหัสเพราะขาดผู้นำที่มีความรู้ความสามารถคือมันไม่ใช่แก้ได้ทุกเรื่องหรอกปัญหามันแก้ที่ตัวปัจเจกชนคือปัจเจกชนแต่ละคนนะรับการแก้ไขแล้วถ้าอย่างนั้นแก้ไขได้ ลองนึกถึงเรากระดานมาปูพื้นเนี่ยฮะกระดานแต่ละแผ่นเนี่ยต้องยอมเสียต้องยอมเชื้อเนื้อตัวเองปรับสภาพเข้าหากันแล้วก็ปูรวมกันได้เป็นพื้นปาเ ก, ก้เป็นพื้นคัมปาน่าอะไรต์อต่างๆนทุกแผ่นเนี่ยมันปรับตัวสภาพเข้ามาแต่ถ้าเอาไปใช้กับคนในคนหนึ่งคนอื่นไม่พร้อมเนี่ทําไง มันก็ใช้ไม่ได้เเจนสมมุติว่าตัวนายกรัฐดีซื้อสาตนาสุดจริตเขาร่ำรวยแล้วเขาเขาไม่ต้องชอบชนอะไรแล้วแต่คนที่จนเนี่ยก็ยังจะชอบชนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้ไขที่ตัวปัจเจ ก, กชนได้เนี่ยมันก็แก้ได้แม้นคนาศาสนามันเริ่มจากหน่วยย่อยนะฮะเริ่มจากหน่วยย่อยแก้ก็ไปหาหน่วยใหญ่ไม่ใช่ เ, เอาหน่วยย่อยไปแก้หน่วยใหญ่เลยไปแก้สังการก็ไม่ได้นะฮร เราจะเห็นว่าคล้ายๆก็เดินแถวเนี่ยเดินแถวทหารนี่เขาเดินแถวกันได้สวยๆเนี่ยที่จริงมันฝึกมาจากหมู่จากหมวดจากกองแต่นั่นเองแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมัจะเดินกันเป 10, 10, 000, ็นหมื่นๆแสนๆก็เดินได้สวยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยมันโอโหเันนานเหลือเกนะินอ่ะไม่ใช่วันสองวันที่จะไปเดินได้เพราะการใช้ธรรมะในการบริหารบ้านเมืองที่จริงแล้วเนะี่ย ถ้าเราใช้ได้จริงแต่ว่าคนผู้สนองงานที่ลดหลั่นก็ลงไปอันนียมันต้องไปด้วยไม่ใช่หัวหน้าไปคนเดียวลูกน้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันมันทําไม่ได้อย่างนั้นนะเราจะจะเห็นว่าในยุคสมัยใดก็ตามที่บ้านเมืองเรามีความเจริญเนี่ยเจากหน่วยใหญ่ที่สุดคือศูนย์กลางของประเทศศูนย์กลางการบริหารประเทศสถาบันประวัติศาสตร์เนี่ย ทรงดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมราชสังขาจักรวติวัตและเอาจิงเอาจางกับคนใกล้ชิดคนใกล้เคียงไฝ่ายหน้าฝายในทั้งหลายก็อยู่ในสีในธรรมแล้วก็ขทย์ย่อไปเรื่อยๆมันก็ได้กลุ่มคนที่อยู่ในสีในธรรมมาดูแลรักษาชาติบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะเจริญแน่นอนว่าธรรมนั้นใช้แก้สารพัดได้จริงแต่ต้องเริ่มที่ปัจเจกชนแต่ละคน มันเหมือนก็เอากระดานปาเก้มาปูรวมกันน่ยนะะมันต้องปรับแต่และแผ่นไม้เรียบร้อยก่อนแล้วมาปูรวมกันได้มันไม่ใช่นิ่งๆล้วไปทําได้เลยนะครปัญหาระดับมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนหะถ้าเรียบร้อยเกินผิดปกติไปมันก็ไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วมันเป็นสวรรค์ไปแล้วมนุษย์เนี่ยทํำยังไงให้เลวน้อยเที่สุดเท่านั้นเองอยู่ได้เป็นปกติสุขแล้วเพราะเราถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริง แต่ยุคแต่สมัยมันมีเด็กที่เกิดมาแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนที่เติบโตนั้นอาจจะมีพิคนพิการในด้านจิตปัญญาสติสตงางไม่ดีบ้าบอเมาสิ่งเสพติดระใจต่างๆมันมีอยู่ตลอดอ่ะคนเหล่านี้ก็สร้างปัญหาได้คนติดยาว่าคนเดียวเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาหกระเทือนคนเป็นพันๆเป็นหมื่นได้เลยนัย่นคือลักษณะาทางสังคมเราจะไปแก้หมดทุกคนมันก็แก้ไม่ได้ เพานมาตรการทางกฎหมายที่เขาใช้กค็คือใช้กันหลายระดับทํายังไงว่าให้บ้านเมืองอยู่ปกติสุขอยู่ปกติสุขเรียบร้อยพอสมควรนะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้ได้นะข้อต่อไปท่านถามว่าข็ผมสงสัยว่าศาสนาพุทธซึ่งมีสองนิกายคือนิกายมห า, า, ายานและนิกายเทราวาทซึ่งเรานับถือแบบเทราวาทอยากถามว่าการศึกษา การศึกษาธรรมะหรือคำสั่งสอนเหมือนกันหรือไม่เพราะเหตุใดวงเล็บกระผมเห็นหรือได้ยินได้ฟังว่านิกามหมายาตไม่ต้องโคลคิ้วหรืออาจมีปัญญาได้เขาปฏิบัติไม่เหมือนกันหลายอย่างคือนิกายหมายาตเนี่ยมันแตกออกไปเมื่อพอสอบประมาณหกร้อยนะก็พยายามจะผสมผสาน เป็นรูปยำใหญ่และพยายามที่จะดูดกลืนศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮิ ด, ดูซึ่งแข่งขันกันอยู่ในสมัยนั้นผลก็การมีปรับสภาพตัวเองมากแล้วก็การบัญญัติสิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมามากแต่เนื้อหาสาระจริงๆก็คงอยู่ในเรื่องอริยรรสัจสี่นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางครั้งก็ยิ่งไปบางครั้งก็ยอดไป ก็ตามอัตฉยาศัยของท่านไหนนิกายที่มีเมียได้จริงๆมันอิสระญี่ปุ่นนะนะที่อื่นเขาไม่เคยมีกันเอาเมื่อก่อนเกาหลีใต้เนี่ยก็มีตะวันก็เลิกกันไปแล้วคือศาสนาพุทธเราเนี่ยมันไม่มีศูนย์รวมเป็นจุดอ่อนแออย่างหนึ่งที่ไม่มีศูนย์รวมอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีศูนย์อยู่ที่วาติีกันสตรายสลามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่เมกะ เป็นศูนย์ที่เขาไปทำพิธีละหมากหดกันเขาทำทำทำพิธีฮัตกันมั้นสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็สั่งการกันได้มีผู้บังคับบัญชาที่สูงลดหลั่นกันขึ้นไปก็เราบางใครสั่งใครไม่ได้สังกัณฐไทยก็สังกัณฐไทยแต่นี่นเป็นสั่งพมา่าไม่ได้สั่งลาวสั่งกระเบิดไม่ได้สังกัณฐ์ลาวกระเบิก็สั่งกันในหมู่ของเขาเรื่องบางเรื่องเองนี่ยมัน แพกออกไปแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยแกนหลักเนี่ยยังคงอยู่ก็ยังเป็นพระในพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าระดับที่มีเมียก็ถือว่าเป็นอยู่ในระดับอุบายศกไปเพราะว่าพระในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเมียนะเป็นเรื่องแน่นอนที่สุดเพราะว่าศีลหลักเนี่ยมันมีอยู่สีข้อเนี่ย คือไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ฆ่าคนให้ตายไม่รักทรัพย์ไม่อวดอุตริมนุษสธรรมถ้าไปทำอย่างใ ด, อ ย, งดอย่างหนึ่งในสามในสีข้อนั้นก็ถือว่าหมดสภาพความเป็นพระไปไอ้คิ้วโกนไม่โกนจริงจริงไม่ค่อยแปลกทรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าโดยหลักพระวินัยของเราเองก็ไม่ได้บอกว่าโกนคิ้วบอกแต่ปลงผมโกนหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะ มาไหว้เท้าภิกษุแล้วก็ขอบันประชาวปรสมบทในพระพุทธศาสนาก็พูดเพียงเท่านั้นนะแต่ว่าการโกนคิ้วนี่มันเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ทราบกันมานะครว่ามันเป็นเหตุผลทางการเมืองก็พระที่โกนคิ้วมันมีสามชาติแต่ใ น, นไทยลาวเขมรตอนนั้นก็ไม่มีใครโกนถึงแม้จะเป็นเทราวาทด้วยกันพ ม, ม่าเขาก็ไม่โกนฮังการีเขาก็ไม่โกนแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอนะ่ะ เราเองที่โกนก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้โกนหรือว่าอห้ามอนุญาตให้โกนคือไม่มีทั้งห้ามทั้งอนุญาตไว้มันอยู่ที่ความสมัครใจที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ตางานที่เขาเล่าเนี่ยว่วันเป็นเรื่องงานที่เกี่ยวกับจารชนด้านพม่า ก, กับด้านขเขมรที่ว่าส่งจารชนปลอมมาเป็นพระ แล้วก็จับไม่ได้ลายไม่ทันเพราะเป็นพระมันก็ดูแล้วก็เหมือนกันทางประเทศไทยเองก็ส่งสัญญาณกันว่าให้พระไทยโกลคิ้ว ห, หมดคนใครแหลมขึ้นมาไม่โกลคิ้วก็จับได้เขาเล่านะฮะแต่ว่าที่ไปที่มามั น, ม, นมันไม่ได้ชัดเจนไม่ได้บันทึกอะไรเอาไว้เพียงแต่ว่าเล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณกันเล่าว่าเป็นอย่างนั้นนหะ ตามความเห็นของพระคุณเจ้ามั่นใจว่าสวรรค์นรกมีจริงหรือไม่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ทั้งร้อยนั่นแหละคือมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาเห็นว่ามันไม่ขาดทุนอะไรการเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่านรกน่นเป็นผลจากการทําชั่วสวรรค์น่นเป็นผลจากการทาดีคล้ายๆกับเป็นบำเน็จจากการทําชั่วที่เราได้รับผลของความชั่วมาแล้วในชาติเนี้ย ต่อไปก็ยังยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอีกแล้วก็ทําความดีก็เหมือนการบําเน็จจากการกระทําความดีเราได้รับผลในชาตินี้แล้วยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปและชาติต่อๆไปอีกด้วยทีนี้การเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเป็นเหตุให้เราละชั่วประพฤติทีนี้ติดต่างว่านะติดต่างว่าไม่มีนรกสวรรค์อย่างที่ท่านแสดงเอาไว้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนในชีวิตปัจจุบันเราก็อยู่ดีมีสุข ตายไปแล้วไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปทีนี้ถ้าหากาเราทำความดีเนี่ยแม้จะไม่มีนรกสวรรค์เราก็ดีแล้วหนึ่งชาติถ้ามีนรกสวรรค์เราก็บังเกิดในสวรรค์ในชาติพบต่อไปด้วยมันไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่ว่าได้ดีโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นการเชื่อในเรื่องเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นความเสียหายอะไรและอย่าลืมนะครว่าพระพุทธเจ้าแสดง ผู้เจ้าท่านรู้เห็นด้วยพระาญานผู้เห็นด้วยทิปจักษุเราไม่มีทิปจักษุคล้ายๆกับหมอ เ, เชื่อไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์พวกนักวิทยาศาสตร์เห็นสุรยิยะจั ก, กรวาลอื่นด้วยกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราไม่มีทั้งสองกล้องนั่นเองเราก็ต้องอาศัยเชื่อเอาจากคนที่เขาเห็นด้วยกล้องเหล่านั้นวันหลังเราเจอกล้องเข้ามาเราก็ดูด้วยกล้องเราก็เชื่อมั่นอยู่ก่อนแล้วมันก็เชื่อมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นในสังคมสมัยนี้เด็กๆมีนิสัยหลงแสงสีติดยาเสพติดเกเรไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่กระผมมีลูกยังเล็กอยู่กระผมอบวนอบรมสั่งสอนอย่างไรดีให้เขาเป็นคนของสังคมคือเด็กเล็กเนี่ยนะเราจะไปเอาอะไรเขามากไดไม่ได้คือทำยังไงว่าให้แกเรียนดีประพฤติดีและอย่าดือ้อย่าดื้อนี่เป็นตัวหลักเลย นะเพราะว่าต้องอิงอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่อาศัยครูบาอาจารย์พ่อแม่อบรมสั่งสอนแนะนําเป็นผู้น้อยคอยก้มประนมกรเหนื่อยไปก่อนจึงสบายเมื่อปลายมืออย่าไปเอาอะไรกับมากเกินไปถ้ามากเกินไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเรื่องหนักแต่ทีนี้คนเราถ้าเรียนดีประพฤติดีไม่ดื้อ ม, มันก็หมดแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ย เธอไม่เข้าใจแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนำสั่งสอนชี้แ น, นะอธิบายให้เหตุผลเธอไม่ดือ้อเธอปฏิบัติตามก็กลายเป็นประพฤติดีเรียนดีก็เป็นเหตุให้เธอรู้ดีเธอรู้ดีเป็นเหตุให้ประพฤติดีประพฤติดีก็เป็นเหตุให้เธ อ, เ, ธอเป็นคนดีมันก็ได้แล้วทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเกี่ยวข้องกับอะไรมากๆขึ้นเนี่ยเราอาจจะสอนให้แกซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่เอาสามอย่างหนึ่ง ซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่หรือซื่อสัตว์รับผิดชอบทรงต่อเวลาอะไรก็ได้นะฮะคือไม่ต้องเอาไวมันมากหรอกแต่ว่าให้มีอยู่ภายในจริงๆให้มีอยู่ภายในจริงๆแล้วก็ธรรมะเราอื่นก็ะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเองเพราะว่ากระบวนการของธรรมะนั้นที่จริงมันเป็นกระบวนการแบบธรรมชาติธรรมดา แต่เรามีข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นๆมันก็มีตามไปมันเหมือนก็รารักแม่นะฮรักแม่แล้ว ร, รักทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแม่รักตารักยายรักลุงปะนะ้าน้าอารักลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องสืบต่อกันไปเป็นแถวโยงกันไปเป็นแถวเลยต้งเขยสะพายนะฮะไปหายไปเลยความรักนั้นที่จริงเราก็เริ่มที่พ่อแม่เริ่มเริ่มที่แม่แต่นั่นเองเริ่มที่พ่อกับแม่แต่นั้นเอง ก็ต่อไปถามว่าในาศาสนาพุทธมีนรกมีสวรรค์คือมีต้นงิ้วบ้างมีกระทะทองแดงบ้างอะไรต่ออย่างนี้อยากทราบว่าสวรรค์อื่นาศาสนาอื่นจะมีอย่างาศาสนาพุทธหรือไม่อย่างไงคือสวรรค์นร ก, กไม่ใช่ของาศาสนาไหนนะมันก็เป็นโลกเป็นปารโลกหรือโลกอื่นจากโลกนี้ซึ่งคนทํากรรมอยู่ในระดับเดียวกันก็จะไปตกนรกในสถ า, านที่นั้น มันไม่มีชนชาตินั้นชาตินี้หรอกไม่มีนรกของฝลังนรกของแขกนรกของไทยนรกของลาวหรอกนรกมันคือนรกกันนะฮะมันเป็นกระแสของกรรมเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกระบวนการของกรรมที่บุคคลกระทาเอาไว้ก็ให้หมุนวนไปตามกระแสกรรมการเลื่อนไหลของกรรมการร่วมทับของกรรมของบุคคลเหล่านั้นที่เขาได้กระทาไว้นะทําดีก็บังเกิดในสวรรค์ทาชั่วก็ตกในนรก เพียงแต่ว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นพื้นฐานของศาสดาเนี่ยท่านแตกต่างกันคือศาสนาบางท่านเนี่ยมีความแตกฉานรอบรู้อย่างพระพุทธเจ้าในทรงเป็นสัพพัญญูเพราะงั้นพระเจ้าจะให้รายละเอียดเยอะให้รายละเอียดไว้ในเรื่องเหล่านี้เยอะทีนี้ศาสนาบางท่านเนี่ยท่านไม่มีท่านได้ขนาดชาญเป็นอย่างมากเนี่ยนะท่านก็ไม่รู้อะไรลึกซึ้งหรอกแต่ท่านก็อธิบายได้อธิบายได้มันมีนรกมันมีสวรรค์อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ท่านก็รู้เท่าท่านอาธิบายเท่าที่ท่านรู้นะ่ะแต่ว่าในการอาธิบายเรื่องอะไรก็ตามสมมุติว่าเราเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งเนะี่ยแล้วออกมาแล้วเขียนราย ง, งานเรื่องวัดเหล่านั้นเขียนไม่เท่ากันเราเขียนไม่ตรงกันเราเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปหมดทั้งวัดไม่ได้ศึกษาเรียนรู้หมดทั้งวัดมันก็ศึกษาจากมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองเพราะการสอนเรื่องนรกสวรรค์ของท่านเหล่านั้นก็มีลักษณะอย่างนั้น ไม่ได้หมายความว่าท่านสอนหมดแล้วแต่ของพระพุทธเจ้านั้นทรงให้รายละเอียดในแง่มุมต่างๆไวมากจึงก็หมายความว่าเมื่อไปเจอก็จริงๆแล้วก็ไปดูให้พบเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็จะพบในลักษณะอย่างเดียวกันข้อต่อไปถามว่าเรียนทำมากปฏิบัติมากอันไหนดีกว่ากันปฏิบัติมากดีกว่านะปฏิบัติมากดีกว่า ก็เรียนมันเป็นปริยัตธรรมดาแต่ว่าปฏิบัตินั้นต่อไปมันก็เหมือนการปลูกพืชแต่มันแต่กินก้านสาขาของมันเองแต่ว่าการเรียนนั้นเป็นมาตร็นเครื่องวัดว่าที่เราเรียนที่เราปฏิบัตินี่ถูกต้องหรือไม่เพราะถ้าหากว่าผิดจากปริยัตไปก็ชื่อๆว่าผิดนะฮะเช่นสมมติว่าเราจะเริญนศรัทธาแต่เรายังมี เราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์หรือยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่เรายังมีความจะนีอยู่เราขี้เกียจจะฟังธรรมะอยู่มันก็แสดงไม่มีศรัทธาเพราะศรัทธานั้นมันจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีศรัทธาคือใครจะคบหาสมาคมกับพระพุทธสงูงแล้วก็เป็นผู้ขาจัดบนทินคือความจะนีออกไปจากใจิตใจของตัวเอง และมีความพร้อมมีความพอใจมีความเย็นดีที่จะศึกษาทีือจะฟังพทธรรมที่พระผูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั้นมันก็พิสูจน์ถึงศรัทธาของท่านเหล่านั้นซึ่งตรงกับหลักของปริยัติาตามปกติแล้วควรจะมีด้วยกันแต่ถ้าถามว่าสองอย่างนี้อย่างไรดีกว่าเนี่ยปฏิบัติดีกว่าศรัทธากับความเชื่อต่างกันอย่างไรก็อย่างเดียวกันนะะศรัทธาก็คือความเชื่อ เป็นความเชื่อหลายระดับบางอย่างก็เป็นความเชื่อที่น้องใจเชื่อเฉยๆแล้วแต่ใครว่าอย่างไงนะฮะก็เชื่อตามเขาไปโดยไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรแนวอย่างหนึ่งต้องผ่านการใคร่ครวญพินิพจนาเชื่อก่อนจึงเชื่อแนวที่สองนี่หมายความมากินเชื่อก่อนจึงเชื่อคือเชื่อจากผลที่เราสัมผัสแล้วก็บางทีได้รับผลจากการนิบัติไปแล้วจึงเชื่อเป็นต้น มีความหนักแน่นแตกต่างกันความเรื่มใสกับศรัทธานั้นก็เป็นปัจจัยของกันรอะกันนะฮะศรัทธาเพิ่มเท่าไรความเรื่มใสก็มากเท่านั้นเป็นอาการที่จิตมันผ่องแผ้วนะฮะเป็นอาการที่จิตมันผ่องแผ้วไม่มีมนชินต่างๆเข้ามารบกวนนะก็ทําให้จิตมันเรื่อมใสนะเพรา ะ, ะนั้นเขเรียกศรัทธาภาษาธะคือความเชื่อความเรื่อมใสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของตนทั้องฝั่งทั้งหลาย ใต้ร่มระโพธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเเรินง้องามไปบูดในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี